วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมวันที่เราจะมาศึกษาวิธีสร้างบุญบารมีต่างๆให้แก่จิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเราจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือม ไม่สุขจะสูงหรือไม่สูงอยู่ที่บุญบารมีพวกเราเกิดมาจึงมีความไม่เท่าเทียมกันเพราะเราสร้างบุญบารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองทุกคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวย บางคนสวยบางคนก็ไม่สวยบางคนฉลาดบางคนก็ไม่ฉลาดบางคนดีบางคนก็ไม่ดีเพราะว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราสร้างบุญบรารมีมาไม่เท่ากันนั่นเอง ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นไปจากที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เรายังสามารถทำให้มันดีขึ้นไปได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความดีต่างๆความดีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าส่งให้ชื่อว่าบารมีบุญบารมี คือการกระทำความดีงามต่างๆที่จะทำให้จิตใจได้รับสิ่งที่ดีงามต่างๆเช็นต่อไปจะสวยกว่าเดิมจะรวยกว่าเดิมจะฉลาดกว่าเดิมจะดีกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เราพัฒนาได้ทำได้ ดังนั้นขอให้เราลองมาศึกษาดูว่าทมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันสร้างกันนี้มีอะไรบ้าง mm hmm. ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบามีเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีความรัก mm hmm. สอนให้เรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะความรักความปรารถนาดีนำมาสึ่งความสุขทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเองเวลาเราให้ความเมตตาต่อผู้อื่นผู้อื่นเขาจะมีความสุข แล้วเราก็จะมีความสุขด้วยวิธีให้ความเมตตานี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งคือสัพเพสัตตาอเวราหหนตุแปลว่าจงอย่ามีเวรกับสัพพสัตทั้งปวงเถิด อย่าจองเวรจองกรรมกันใครก็พูดอะไรทำอะไรที่ทำให้เราเสียใจเสียหายาโกรธแค้นให้รีบดับความโกรธแค้นด้วยความเมตตาคือให้อภัยยกโทษให้ไม่ถือโทษกดเครื่องเพราะเราลักกัน เราต้องการที่จะรักกันเราไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะกันมาโกรธกันเกลียดกันเพราะความรักกันนี้เป็นความสุขความเกลียดกันนี้เป็นความทุกข์นั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งคือเราต้องรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันข้อที่สอง สเปสตาอับเบยาป ช, ชาโหนตุแปลว่าจงอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเวลาจะพูดเวลาจะทําอะไรให้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมา ถ้าทำแล้วให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอย่าทำนะพอทำแล้วจะทำให้เขาโกรธเบียดเราและอาจจะมาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอก็จะไม่มีใครมาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนอ ข้อที่สามก็คืออนีฆาหนตุสเปสัตตาอนีฆาหนตุแปลว่าอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นนั่นเองอย่าไปทุบตีอย่าไปฆ่าอย่าไป ทำให้เขาเสียใจด้วยความตั้งใจถ้าเขาเสียใจของเขาเองโดยที่เราไม่มีความตั้งใจจะไปทำให้เขาเสียใจอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นการกระทาของเราบางทีเขาอยากจะให้เราทำอะไรแต่เราไม่ได้ทำเขากเ็เสียใจได้ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการไปทําให้เขาเสียใจเป็นการกระทําของเขาเองให้ตัวเขาเองเสียใจด้วยความอยากความต้องการของเขาแต่ถ้าเราไปพูดไปว่าอะไรเขาเนี่ยแล้วทําให้เขาเสียใจอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทําให้เขาเสียใจด้วยการกระทําของเราน เพราะว่าถ้าเราไปทำให้เขาทุกกายทุกใจเขาก็อยากจะทำให้เราทุกกายทุกใจนั่นเองก็จะเป็นมีการล้างแค้นมีการจองเวรจองกรรมมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาข้อที่สี่สุขีอัตานังปริหรันตุแปลว่าให้ความสุขแก่กัน อย่าให้ความทุกข์แก่กันกฎแห่งกรรมท่านแสดงไว้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราเวลาเราทาอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเราจะมีความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญญาติโยมกาลัง มาให้ความสุขกับพระภิกษุที่อยู่จาพรรษาอยู่ที่บนเขานี่พ อ, อได้ให้ความสุขกับพระรู้ว่าพระสบายอยู่สุขสบายมีเครื่องใช้ไม่สอยมีของที่จำเป็นเช่นน้ำดืม่มพอให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา นี่คือการให้ความเมตตาต้องให้ด้วยการกระทำนะไม่ใช่สวดบทแผ่เมตตาแล้วคิดว่ากำลังแผ่เมตตาอันนั้นไม่ได้แผ่เพราะไม่มีผู้รับต้องมีผู้รับต้องมีเวลาพบปะกันจะแผ่เมตตาจะให้ความเมตตา ต้องให้ตอนที่พบกันแล้วก็ต้องมีของให้เขาไม่ใช่ให้แต่ปากว่าฉันให้เมตตาแต่เธอเนอะให้ไปเหมือนกับญาติโยมมาที่นี่ไม่ได้เอาข้าวของมามาแผ่เมตตาให้หลวงพี่นะขอให้หลวงพี่มีความสุขนะจะไม่สุขยังไงถ้าไม่มีน้ําดืม่มไม่มีข้าวกินอต้องแผ่ด้วยการกระทํา ด้วยสิ่งของอนี้คือคนเราเข้าใจผิดกันศรัทธาญาติโยมคิดว่าเวลาแผ่เมตตาก็คือเวลาที่ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ก่อนจะเลิกสวดมนต์ก็ให้สวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเอเวลาหหนติว๋วขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิด ส, สัตเตสัตตาอัปยาปัจ ช, ชาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายท่องปวงจงไม่เบียดเบียนกันเถิดอันนี้คาโหตุจงไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอัตนานปาริหารุยงมีความสุขรักษาตนเถิดอันนี้เป็นเพียงการฝึกฝนสอนจิตใจ ให้มีความคิดแบบนี้กับผู้อื่นถ้าไม่หัดคิดแบบนี้ไว้ก่อนพอมันถึงเวลาจะต้องแผ่เมตตามันจะแผ่ไม่ออกพอใครทำเวลาให้เราโกรดนี่เอาเวลาโหนตุไม่รู้หายไปไหนมีแต่มึงเดี๋ยวกูจะจัดการกับมึนเข้าใจไหมนี่ ให้ซ้อมไว้ก่อนให้ฝึกซ้อมไว้ก่อนการสวดบทแผแ่เมตตานี้เป็นการฝึกซ้อมว่าเอาต่อไปนี้ถ้าใครทำให้เราโกรธเราจะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยไม่ไม่มีเวรมีกรรมกันดีกว่ามีเวรกรรมกันแล้วอยู่ร่วมกันไม่มีความสุขต้องหวาดระแวงตลอดเวลาว่าเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาเราให้อภัยเขาเรานอนตาหลับเรานอนสบายไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาร่างแค้นเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาเกิดความโกรธถึงแม้ว่าเขาจะมาทำให้เราโกรธก่อนก็ตาม ذ? เวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวน ذ? เวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวน ذ? น, นี่คือบารมีข้อที่หนึ่งคือเมตตาบารมีเป็นบารมีที่สำคัญที่สุดในการสร้างบารมีทั้งหลายเพราะเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะนำไปสู่การสร้างบารมีอย่างอื่นต่อไปถ้าไม่มีความเมตตาบารมีไม่มีเมตตาบารมีแล้ว จะไปสร้างบารมีอย่างอื่นคือทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีไม่ได้เนเพราะว่าจะมีอุปสรรคพอจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้จะทำทานก็ต้องเลิกทำทำกับคนนี้ไม่ได้ทำกับคนนั้นไม่ได้เพราะโกรธเขาเกลียดเขา แต่ถ้ามีความเมตตาแล้วจะไม่โกรธไม่เกลียดใครทำทานให้กับทุกคนได้ทำให้กับสบรรพสัตว์ทั้งปตายทั้งปวงได้นี่คือข้อที่หนึ่งเมตตาบา ร, รมีทำตอนที่เราพบปะกันเช่นพอพบกันนี่สิ่งแรกที่เราควรจะทำอยากจะให้ความมีความสุขทำอย่างไรก็ยิ้มให้เขาสิ พอเรายิ้มให้เขาทักทายเขาสวัสดีจ้าสบายดีหรือเปล่าหรือถ้ามีของของแจกก็ามาแจกด้วยวันนี้มีขนมมาฝากพอให้อย่างนี้กับเขาเขาก็ยิ้มปั้นขอบอกขอบใจสาธุอย่าเจอกันแล้วหน้าบึ้งตึง ถึงแม้เราจะมีอารมณ์เสียอารมณ์บูดมาก็ตามแต่เมื่อพบปากกับคนแล้วเราต้องอยิ้มให้ออกอย่าเอาหน้าบึ้งใส่กันเพราะถ้าเราบึ้งเฉยนี่เขาจะคิดว่าเราโมโหเขาหรือเปล่าไม่พอใจหรือเปล่าเขาไปทำอะไรให้เราโกรธหรือเปล่าอพอยิ้มนั้นหายหมดเลยความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน นี่คือวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันไม่ใช่อยู่อยู่รับหลังก็แผ่ใหญ่เลยขอให้มีความสุขมากๆแต่พอเจอกันก็ด่ากันเลยอย่างนี้หรือหน้าเบื้องตึงใสกนนันการแผ่เมตตาต้องมี ผู้รับและต้องมีสิ่งที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองวัตถุสิ่งของหรือหร อ, รอยยิ้มอันนี้เป็นวิธีการแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะได้รับอ น, นิสงค์จากการแผ่เมตตาหลายประการด้วยกัน การที่หนึ่งก็คือเราจะตื่นก็มีความสุขเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะมีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ เพราะจะไม่มีใครจะมาโกรธจะมาจ้องทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธทำให้เขามีความสุขทำให้เขาชอบเราไม่ได้ทำให้เขาโกรธเปลียนเราหน้าตาจะมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาจะดูผ่องใสเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสะงบง่าย แล้วถ้าเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงชั้นพระนิพพานตามกำลังของบุญบา ร, รมีที่ได้ได้สร้างเอาไว้บุญบา ร, รมีนี้คือบันไดสู่สวรรค์นั่นเองบันไดที่จะพาให้เราเคลื่อนจากพบของมนุษย์ไปเป็นเทวดา จากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลจากพระอริยบุคคลไปสู่พระนิพพานต้องอาศัยบา ร, รมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันในวันพระนี้วันพระเป็นวันที่เราหยุดทำงานทางโลกหนึ่งวัน เพื่อที่เราจะได้มาหัดทางานทางทางธรรมทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางจิตใจทางโลกนี้เราทำเพื่อร่างกายาเลี้ยงดูปากท้องจำเป็นต้องหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายเพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้เลยอยู่แบบแร้นแค้นอยู่แบบทุกข์ยากลำบาก อยู่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ามีปัจจัยสี่สมบูรณ์มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆแต่การมีปัจจัยสี่นี้ไม่สามารถมาดูแลรักษาจิตใจของพวกเราได้ จิตใจต้องการบุญบา ร, รมีเป็นปัจจัยสี่ของใจถ้าจิตใจขาดบุญบา ร, รมีจิตใจก็จะเป็นเหมือนร่างกายที่ขาดปัดจจัยสีนั่นเองจะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบไม่มีความสุขนดังนั้นพอวันพระมา เราก็หยุดการหาปัจจัยสี่ทางร่างกายแล้วมาหาบุญบรารมีด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราต้องสร้างบรารมีอะไรบ้างและเราจะไม่รู้ว่ า, าวิธีสร้างบรารมีแต่ละชนิดนี้สร้างอย่างไรอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟัง ศรัทธายาโยมชาวพุทธเหล่านี้เข้าใจผิดกันคิดว่าการแผ่แผ่เมตตาการสร้างเมตตาบารมีคือการสวดกันออันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างเลยไม่ได้มีผู้ให้ไม่มีผู้รับไม่มีสิ่งที่ให้มีแต่การสวดบทแ ผ, แผ่บารมีเท่านั้นเองที่ต้องสวดเพราะจะได้ศึกษา ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวสอนใจให้แผ่ให้เตรียมแผ่ไว้ถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนต้องซ้อมชกก่อนซ้อมชกก่อนที่จะขึ้นเวทีถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวขึ้นไปก็ถูกเขาน็อกแต่ถ้าซ้อมแล้วพอขึ้นเวทีก็จะได้น็อกคู่ต่อสู้ได้คู่ต่อสู้ก็คือความไม่เมตตานั่นเอง ส่วนใหญ่เรานักจะไม่เมตตากันเพราะเวลาเราโกรธแล้วนี่เราลืมไปหมดลืมความเมตตากันเวลาเราอยากจะทำอะไรเราลืมว่าเรากำลังไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าเวลาเราพูดหรือทำอะไรเราบางทีลืมไปว่าเราไปทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจหรือเปล่าเราจะลืมให้ความสุขแก่ผู้อื่น พอเราโมวแต่จะคอยหาความสุขให้กับเราเองเราจึงต้องมาสวดบทแผ่เมตตาเพื่อมาสอนใจมาเตือนใจว่าเราต้องให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่แต่ให้ความสุขกับตัวเราเพียงอย่างเดียวเราต้องไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเหมือนกับที่เราไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาให้ความทุกข์กับเรา นี่เราต้องคิดเผื่อไว้ก่อนล่วงหน้าต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าเกิดเขาทําให้เราโกรธเราจะทำอย่างไรเราจะว่าเขาหรือเปล่าเราจะทุบตีเขาหรือเปล่าหรือเราจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่สําคัญให้อภัยเลิกลากันไปอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ซ้อมไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนมันจะทําไม่ได้ เพราะเราไม่ค่อยได้ทําสิ่งเหล่านี้กันเราไม่ค่อยแผ่เมตตากันเราไม่ค่อยให้อภัยกันมีแต่มีแต่จองเวรจองกรรมกันและไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราคนอื่นก็ช่วยยุ่ด้วยอพอเราไปปรับทุกข์กับคนอื่นแทนที่เขาจะบอกให้เราให้อภัยก็บอกเอามันเลยจัดการเลยฉะนั้นเราต้องมา ศึกษาวิธีแผ่เมตตก่อนด้วยการสวดสวดแล้วต้องเข้าใจความหมายของการสวดมันจะสวดแบบนกแก้วนกแก้วมันว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันเขี่ยทิ้งหมดฮะมันจะเอากล้วยพอหยิบกล้วยให้มันมันคว้ามับเลยมันไม่รู้คําว่าแก้วแปลว่าอะไรมันไม่รู้ว่าแก้วนี้มีคุณค่าราคามากกว่ากล้วย แต่มันไม่ต้องการกล้วยมันไม่ต้องการแก้วแก้วมันกินไม่ได้มันต้องการกล้วยอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องการความเมตตาเราไม่ต้องการจองเวรจองกรรมกันแต่เราก็สวดแผ่เมตตาอเวลาโหนตุกันจนปากเปียกปากฉีกแต่พอเจอกันมีเรื่องมีราวกันนี่โอ้ยจองเวรจองกรรมกันจะฆ่ากันตายให้ได้ เนี่ยแบบนกแก้วะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสวดคำสอนที่เราสวดนี้มีความหมายว่าอย่างไรนอกจากสวดแล้วเราต้องมีคำแปลด้วยโชคดีบทสวดม น, นี้เขามีคำแปลให้สวดด้วยสัพเพสัตตาอเวราโหนตุเวลาก็แปลว่าเวนนั่นเองอเวราก็คือไม่มีเวน สัพเพแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงสัตตก็คือสัตว์นี่เองสัพเพสัตตาอเวลาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดเราอย่าไปขอเขาให้ไม่มีเวรกับเราเรานั่นหละต้องอย่าไปมีเวรกับเขาถ้าเราไม่ไปมีเวรกับเขาแล้วเขาไ ม, มา่จะไม่มามีเวรกับเราหรอก ที่เขามีเวรกับเราก็เพราะว่าเราไปมีเวรกับเขาเราไปจองเวรเขานั่นเองถ้าเราไม่ไปจองเวรเขาเขาไม่มาจองเวรเราหรอกนอย่างนั้นต้องเข้าใจว่าสัปเปสรรธธัตตาอเวลาโหตุหมายถึงเราอย่าไปมีเวรกับสรรัพปะสัตทั้งหลายไม่ใช่อย่าใหรร้สัพปะสัตทั้งหลายมามีเวรไม่มีเวรกับเรานี่เราไปบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเขาอยากจะมามีเวรกับเราก็ห้ามเขาไม่ได้แสดงว่าเขาไม่มีความเมตตาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขามีความเมตตาเขาก็จะไม่มามีเวรกับเร า, างั้นเราไปทําให้ผู้อื่นสัปปรพสัต ท, ทั้งหลายทั้งพวงไม่มีเวรกับเราเราทําไม่ได้อันนั้นสรรพสัตสัสตว์ตละตัวต้องเป็นผู้ทําให้ตนเองให้ไม่มีเวรกับผู้อื่นะ เรามีหน้าที่ของเราเราอย่าไปมีเวรกับผู้อื่นแล้วเวรที่จะมาหาเรามันจะน้อยลงแต่เราไปห้ามผู้อื่นไม่ให้มามีเวรกับเราได้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆมีความสุขเขาก็อิดช้าเราละอิดช้าลิษยาขึ้นมาจองเวรจองกรรมขึ้นขึ้นมาเลยอย่างนี้เราห้ามก็ไม่ได้ ต้องถือว่าเกิดมาอยู่ในโลกนี้มันจะต้องเจอคนชนิดต่างๆคนที่มีความเมตตาก็มีคนที่ไม่มีความเมตตาก็มีาเราไปเลือกไม่ได้แต่เราเลือกตัวเราเองให้มีความเมตตาได้ดยการไม่จองเวรไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่น ว่าเราทำปุ๊บนี้อนิสงส์ต่างๆนี้เป็นของเราทันทีเกิดขึ้นในใจเราทันทีตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะปกป้องรักษาคุ้มครองหน้าตาจะมีผิวพรรณผ่องใส หน้าตาเบิกบานแกมใสเวลานั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเนี่ยถ้าตายไปก็จะไปสู่สุขติจะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนจะไม่ต้องไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรก นี่คือบารมีข้อที่หนึ่งถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วบารมีข้อที่สองก็จะง่ายคืออะไรทานบารมีทานก็แปลาว่าการให้นั่นเองให้ข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ อันนี้ยกให้คนอื่นไปดีกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้คนใกล้ตัวเราก่อนก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานอันนี้เป็นทานบารมีพอให้คนใกล้ตัวหมดแล้วทีนี้ยังมีเหลืออีกก็เอาไปให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนให้ขอทานให้คนชราให้เด็กพิการให้ทุนการศึกษาเด็กที่ ไม่มีเงินทองไปเรียนหนังสือแต่มีความสามารถแต่ไม่มีใครส่งเสียพอส่งเสียได้ก็ช่วยเขาไปให้ความสุขแก่ผู้เรียกว่าทานบารมีทำทานแล้วมันจะทำให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์นี้ก็จะขึ้นไปเป็นเทพต่อไป แต่ต้องไม่ทำบาปด้วยถ้าทำทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลไม่มีศีลบารามีก็ยังยกไม่ขึ้นเพราะว่าถ้ายังทำบาปอยู่บาปจะดึงให้ลงต่ำนั่นเองถ้าอยากจะให้จิตใจขึ้นสูงนอกจากสร้างทานบารามีแล้วก็ต้องสร้างศีลบารามีด้วยถึงจะยกระดับจิตใจจาก มนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาได้เช่นวันพระนี่พระพุทธเจ้าสอนญาติโยมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลกันมาสร้างทานบา ร, รมีมาสร้างศีลบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็มีหข้อข้อที่หนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ ข้อที่สามไม่ประพฤติผิดประเวณีข้อที่สี่ไม่พูดปดข้อที่ห้าไม่ดื่มสุรายามเมาการกระทำแบบการกระทาบาปนี้จะทำให้จิตใจลงต่ำจะทำให้กายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก สิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเกิดจากการทำบาปของเราก็ได้เพราะเราไม่มีตาทีท่จะมองเห็นดวงวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไปใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะกลายเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี้จะกลายเป็นดวงวิญญาณ แล้วถ้าไปได้ร่างกายอันใหม่จากการกระทำบาปก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เรียกว่าเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ ที่เกิดจากความกลัวต่างๆก็จะเรียกว่าอสุรกายถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะเรียกว่านารกทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่คือดวงวิญญาณคือดวงใจของเราตอนนี้แนหะตอนนี้เรามีจิตใจจิตใจของเราขณะนี้ทําอะไรอยู่ กำลังคิดกำลังฟังทมอยู่นี่เองนี่แหละคือจิตใจตัวนี้แหละที่จะไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นนรกต่อไปถ้าเราไม่รักษาศีลกันถ้าเราทำบาปกันอยู่เรื่อยๆบาปมันจะสะสมมากขึ้นไปมีหมากทาบาปมากก็จะต้องไปอยู่ในอบายนานทำบาปน้อยก็จะไปอยู่อบาย ไม่นานเนขึ้นอยู่กับปริมาณของบาปที่เราทำเหมือนกับทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายถ้าเป็นทำผิดร้ายแรงก็ติดคุกตลาดชีวิตถ้าไม่ร้ายแรงก็อาจจะห้าปีสิบปีแล้วแต่ความหนักเบาของความผิดที่ทำกันบาปก็เป็นแบบเดียวกัน อบายก็เป็นเหมือนนรกเป็นเหมือนคุกตารางของผู้ที่ทําบาปจะต้องไปติดกันแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทําบาปได้เวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณจะไม่ไปไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ทําบาปเลยดวงวิญญาณก็จะเท่าเดิมจะเป็นเหมือนเดิมเป็นมนุษย์เหมือนเดิมฮ ตายจากมนุษย์ไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลยแต่ถ้าทําบาปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเป็นดวงวิญญาณที่ชนิดต่างๆที่มีความทุกข์ชนิดต่างๆเป็นเปรตทุกข์เพราะความหิวเป็นนสุลกายทุกข์เพราะความกลัวเป็นนรกทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาทเป็นเดรัจฉานเพราะไม่รู้ เวลาทำบาปไม่รู้ว่าบาปทาไปคิดว่าไม่บาปอย่างนี้ทาไปแล้วก็ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาทำบาปเพื่อการอยู่รอดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี้เขากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันเพื่ออยู่รอดเขาก็ไม่คิดว่าเป็นบาปเขาไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาคิดว่าเป็นความจาเป็นที่จะต้อง เลี้ยงดูร่างกายคนที่มีอาชีพทำบาปก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองก่อนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาเลี้ยงชีพเนี่ยก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานมีอาชีพเหมือนกันก็คือเอาชีวิตฆ่าชีวิตของผู้อื่นเพื่อมาเลี้ยงชีวิตของตนเองเมื่อทำแบบนี้ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกันนี่คือ เรื่องของศีลบรารมีอย่าไปทำบาปแล้วเราจะได้ปิดประตูาบายได้แล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทำทานบรารมีทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปอยากจะให้มั่นใจว่าไปสวรรค์ก็พยายามทำทุกวันเช่นใส่บาตรทุกวันถ้ามีพระ เดินผ่านมาทางบ้านก่อนจะไปทำงานก็ใส่บาทซะก่อนใส่บาทแล้วก็ไปทำไปทำงานถ้าไม่มีพระมาแต่อยากจะทำทำบุญทุกวันทำทานทุกวันก็ทำได้ถ้าไปเจอขอทานออกไปนอกบ้านเจอขอทานเอาเงินที่จะซื้อข้าวใส่บาทให้ขอทานไปก็ได้หรือถ้าเรา อยากจะทำบุญทุกวันแต่ไม่มีพระไม่มีขอทานเราก็เอาใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ใส่กระปุกไว้ทุกวันวันนี้ทำบุญใส่กระปุกไว้ทำทุกวันพอวันไหนเราว่างวันอย่างวันพระนี้เรามีเวลามาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาทำบุญได้เอาเงินนี้มาซื้อกับข้าวกับปลามาถวายพระได้หรือจะไปจ่าย ถ้าน้าค่าไฟไปทำรูปบารุงวัดก็ได้เหมือนกันได้ทำได้ททานเหมือนกันได้สร้างทานบารมีเหมือนกันหรือถ้าเราไม่เราไม่ชอบวัดเราชอบทำบุญกับคนก็ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำบุญกับพี่กับน้องก็ได้หรือเราชอบทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับสัตว์ก็ได้ ทำบุญกับสุนัขทำบุญกับแมวทำบุญกับปลากับนกนไปปล่อยปลาปล่อยนกไปซื้อปลาในตลาดดีกว่าเพราะปลาที่เขาเอามาให้เราซื้อแล้วไปปล่อยนี้บางทีอาจจะเป็นปลา เ, าเวียนเทียนหรือเปล่าคุณม่รู้เราไปปล่อยแล้วเดี๋ยวเขาจับกลับมาขายเราใหม่ เหนท่าทางที่ดีก็ไปซื้อปลาที่เขาขายในตลาดที่ยังไม่ตายอันนั้นแม่ค้าไม่รับรองได้ว่าไม่เอามาเวียนเทียนแต่ถ้าพวกที่มาขายตามหน้าวัดนี่ไม่ไมแน่นกนี่บางทีเขาเวียนเทียนนกนี่เขาจะเลี้ยงอาหารแล้วมียาเสพติดให้มันผสมก็ไปมันจะติดอาหารพอปล่อยมันเดี๋ยวมันก็บินกลับมาหาคนขายอีก คนขายจะได้เวียนเทียนอย่างนี้ก็เท่ากับไม่ได้ปล่อยมันเพราะพวกนี้มันติดยาเสพติดติดอาหารที่มียาเสพติดผสมอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญทำได้ทุกรูปแบบบุญนี้ไม่ใช่อยู่ที่วัดอย่างเดียวบุญอยู่ที่การให้ของเราไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผู้รับเป็นใครก็ได้ แล้วเราก็จะได้บุญทุกครั้งที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจของเราความสุขนี่แหละที่จะทำให้ใจเราเป็นสวรรค์เป็นเทวดาขึ้นมาและเราเป็นตั้งแต่เรายังไม่ตายเพราะว่าใจของเรานี้เริ่มเปลี่ยนนะจากมนุษย์ก็จะเริ่มกลายเป็นเทวดาที่ะเล็กเทียน้อย เช่นเดียวกับเวลาที่เราทำบาปใจของเราก็จะเปลี่ยนไปจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมาเป็นตั้งแต่เรายังไม่ตายเป็นพอร่างกายตายปั๊บมันก็มันก็เป็นทันทีนลยถ้าเป็นเทวดาเป็นสวรรค์มันก็เป็นทันทีถ้าเป็นเปรตเป็นผีมันก็เป็นทันทีเป็นตั้งแต่ที่เราเริ่มทำบุญทำบาป นี่คือ บ, รบรารมีข้อที่สองข้อที่สข้อที่สองคือทานบรารมีข้อที่สคือศีลบรารมีก็จะพาให้เราขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าเทวดาสวรรค์มีหลายชั้นสวรรค์ของเทวดานี้ยังมีความสุขน้อยกว่าความสุขของพรหม ถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าเทวดาอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องสร้างบา ร, รมีข้อที่สี่บา ร, รมีข้อที่สี่เรียกว่าเนคขมมะบา ร, รมีเนคขมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการระ ง, งับหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายหยุดหาความสุขแบบเทวดา เทวดานี่ยังหาความสุขจากรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพอยู่มนุษย์ก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยากที่จะให้จิตใจพ้นจากภพของมนุษย์พ้นจากภพของเทวดาก็ต้องมาเลิกเสพกามกันมาเจริญในธขมมะบารมีการเจริญในธขมมะบารมีก็คือการลังนับการเสพกามนั่นเอง เสบรูปเสียงกิ่นลดต่างๆด้วยการถือศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดศีล8ดมีอะไรบ้างศีล8ก็ข้อสที่เป็น อ, อะไรบรารมิเวรมณีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีคือการไม่ประพฤติผิดบเวณนี เือไม่ผิดผัวผิดเนียของผู้อื่นนะก็มาเปลี่ยนเป็นอ布拉มจริยาเวรมณีคือจะไม่มีการร่วมหลับนอนกับกันกับการถือพรหมจรรย์ถือศีลพรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนไม่เสพกามแม้จะเป็นสามีหรือภรรยาของตนเช่นวันนี้ญาติโยมที่ถือศีลแปดนี้จะไม่นอนกับสามีไม่นอนกับภรรยา นี coach coach ่คือศีลข้อสามของศีลแปดแล้วศีลข้อหก็คือไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินตามความอยากกินตามความต้องการของร่างกายกินตามความต้องการของร่างกายก็กินแค่เที่ยงวันก็เหลือเฟือแล้วกินมื้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วถ้ากินตามความอยากก็เป็นการกินอ กินตามความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เองอก็จะเป็นกามถ้าละเว้นการเสพกามก็ต้องไม่กินอาหารมากเกินไปกินพอให้อยู่ได้สีนข้อที่หกสินข้อที่7ก็ให้ละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เกี่ยวกับมหรสสบันเทิงต่าง ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ดูละครไม่ร้องลำทำเพลงอันนี้แล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอ่อนวิจิตพิสดารทำหน้าทำตาทำปากทำผมทำอะไรต่างๆเพงแต่อาบน้ำารักษาความสะอาดก็พอ ให้มันสะอาดไม่ต้องใส่เครื่องสำอางอะไรต่างๆไม่ต้องใส่น้ำน้ามันน้ำหอมอะไรต่างๆเพราะนี่เป็นความสุขเทียมเป็นความสุขชั่วคราวเราต้องการที่จะมาหาความสุขของพรมที่เป็นความสุขที่ถาวรกว่าที่ยาวนานกว่าแล้วก็ไม่ไม่นอนบนเตียงบนฟูกหนาๆที่มันสบายเกินไป เพราะจะนอนมากเกินไปทำไมถึงไม่ให้นอนมากเพราะว่าถ้าอยากจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมนี้จาเป็นจะต้องมีเวลามาฝึกสมาธินั่นเองมาฝึกจิตทำจิตใจให้สงบเห็นขั้นตอนก่อนที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้ต้องตัดการติดอยู่กับสวรรค์ชั้นเทพก่อนคือติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้ายังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็แสดงว่ายังติดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพอยู่ถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องถือเนคคัมมะบารมีช่น ญ, ญาตโยมชาวพุทธเราวันพระนี้จะมักจะมาถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้าพอวันพระก็มาถือศีลแปดมาเลื่อนขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรม แต่จะขึ้นไปถึงชั้นพรมได้นี้ต้องสร้างบารมีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีนี่คืออะไรก็คือทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือใจเป็นกลางใจไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงนั่นเองปกติใจของพวกเราทุกคนนี้ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิ ใจของเราจะมีอารมณ์รักชังกลัวหลงเห็นอะไรชอบก็จะรักทันทีเห็นอะไรไม่ชอบก็จะชังทันทีเห็นอะไรที่คิดว่าจะเป็นอันตรายก็กลัวทันทีเห็นอะไรก็หลงคิดว่าเป็นของเราทันทีอันนี้เป็นอารมณ์ที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิยังไม่มีอุเบกขาจึงต้องมาถือศีลแปดกัน เพื่อลั ง, งับกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกเล่นกายไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินไม่เดือมอะไรมากเกินไปไม่นอนมากเกินไปจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาเนี่ย เ, เพราะเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นผ่อมทันทีสวรรค์ชั้นผมก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะได้ก็ได้จากการมาฝึกสมาธินี้ <c oughs> การที่จะทําใจให้สงบใจมีสมาธินี้ก็ต้องมีสติเป็นตัวนำํำถ้าไม่มีสติเป็นตัวนําใจจะเข้าสู่อุเบกขาสู่สมาธิไม่ได้ใจถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเกวียนเกวียนนี้จะใบไหนมาไหนได้ต้องมี มีวัวมีควายลากเกวียนไปถ้ามีเกวียนเฉยๆนั่งอยู่บนเกวียนแล้วบอกให้มันไปมันไม่ไปต้องไปหาวัวหาควายมาลากมันไปมันถึงจะไปใจของเราจะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในอุบเบกขาได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวนําำวิธีที่จะทําให้เรามีสติก็คือให้เราใช้กรรมฐานอาศัยกรรมฐานเป็นอารมณ์ กรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจเรามีสติที่จะทำให้ใจของเรามีกำลังเข้าสู่สมาธิได้กรรมฐานนี้มีอยู่40สชนิดด้วยกันแต่ที่เรารู้จักกันก็มีอยู่สองสามชนิดที่เราเอามาใช้กันเป็นเป็นประจำเป็นปกติคือพุทธานุสติอย่างหนึ่งคือลรเลึกถึงพระพุทธเจ้า คือระลึกถึงคําว่าพุทโธพุทโธท่ทองไปภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธก็จะดึงใจเข้าไปในสมาธิได้หรือถ้าเราจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมกูกหรือดูที่หน้าท้องก็ได้ถ้าดูที่หน้าท้องเราก็จะเห็นท้องยุบหรือผ่องขึ้นมาเวลาลมเข้าลมออก ลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาลมออกท้องก็จะยุบลงไปหรือถ้าเราดูที่ปลายจมูกเราก็จะได้สัมผัสเห็นได้สัมผัสกับลมที่ปลายจมูกลมเข้าเราก็รู้ว่ากำลังเข้าลมออกเราก็รู้ว่ากำลังออกให้เราดูเฉยๆเวลาดูลมอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้ดูอย่าดูอยู่เรื่องลมอย่างเดียวถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่น เดี๋ยวใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางท่านก็ใช้พุทธโธผสมกับดูลมก็ได้พุทเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทพุทเข้าโทออกก็ได้คนที่ดูหน้าท้องก็ดูที่ยุบหนอพองหนอคนที่ดูที่ปลายจมูกก็ดูเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องว่าอะไรก็ได้ให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้กําลังเข้าหรือกําลังออก ออกก็รู้ว่าออกเข้าก็รู้ว่าเข้าอถ้าไม่ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอื่นจะรู้ตลอดเวลาถ้าพอไปคิดเรื่องอื่นแล้วจะหลงลจะไม่รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกอนี่คือวิธีที่จะทําให้เกิดอุเบกขาบารมีขึ้นมาถ้าได้อุเบกขาแล้วใจจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขต่างๆ มีอยู่ในโลกนี้จะวิเศษขนาดไหนก็สู้ความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้ไม่ได้ต่อให้ได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากอุเบกขาไม่ได้เพราะอะไรลองเปรียบเทียบดูเวลาได้ร้อยล้านมาแล้วใจเย็นไหมไม่เย็นแล้ใจเริ่มกังวลแล้วว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหน จะไปซ่อนไว้ที่ไหนดีแล้วก็ต้องคอยกังวลแล้วใครจะมาขอบ้างเดี๋ยวต้องคนนั้นต้องมาขอยืมพี่น้องที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนไม่รู้มาจากที่ไหนเพื่อนฝูงที่ไม่เคยเห็นหน้า<ๆ>เห็นตากันอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาพอเขามาขอไม่ให้เขาก็เราก็ไม่สบายใจให้เขาก็เสียดายเห็นไหเนี่ยความสุขที่ได้จากเงินทองเป็นอย่างนี้ แต่ความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้อิ่มสบายไม่มีใครรู้ว่าเรามีความสุขอันนี้ไม่มีใครมาขอขอก็ให้ไม่ได้ขอก็ต้องบอกวิธีให้เขาไปทำไปสร้างของเขาขึ้นมาเองอยากได้ก็ไปพุทโธดูซิไปหัดพุทโธพุทโธวอร์ใจสงบก็จะได้อุเบกขาได้ความสุขเนี่ยอันนี้แหละคือความสุขของพรมคือความสุข ที่ได้จากอุเบกขาบารามีแต่ยังเป็นความสุขไม่ถาวรเพราะเวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบมันก็จะค่อยๆละลายไปหายไปจางไปเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาอยู่ในตู้เย็นมันเย็นเฉียบพอยกออกมาจากตู้ทิ้งไว้ข้างนอกไม่นานความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไป ถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องกลับเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ชันใดความสุขที่ได้จากความสงบที่ได้จากอุเบคาก็จะค่อยๆจางหายไปเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องพุทธโธใหม่ต้องเอากลับเข้าตู้เย็นใหม่เพราะว่ามีสิ่งที่มาทำให้อุเบคามันละลายจางหายไป สิ่งที่จะมาละลายก็คือความคิดความอยากของเรานี่พอเราคิดไปในทางความอยากความเย็นของใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีพออยากน่าอะไรใจที่นิ่งก็จะสั่นขึ้นมาทันทีเหมือนโทรศัพท์มือถือเวลาใครโทรเข้าเครื่องนี้มันจะสั่นใจของเราเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะสั่นแบบนั้น มันจะมีความรู้สึกกวนกวายกระสับกระส่าย ห, หมุดงิตลำคาญใจขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาอยากจะให้ใจเราเป็นอู่เปข๋ขาไปตลอดเวลาเราก็ต้องมาเจริญบา ร, รมีอันดับสุดท้ายบารมีอันดับสุดท้ายเรียกว่าปัญญาบา ร, รมีนี่ถ้าเรามีปัญญา เราก็จะสามารถระ ง, งับความสั่นของใจได้ระ ง, งับความอยากต่างๆได้เพราะปัญญาจะสอนให้ใจรู้ว่าออสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นภัยต่อจิตใจเพราะว่าจะสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นของที่ถาวรเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ หมดไปพอหมดไปก็เสียใจเช่นเวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอเวลาเลิกกับแฟนก็เสียใจขึ้นมาให้คิดอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราอยากได้ที่ใจอยากได้นี้ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลามันจากไปมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ควบคุมให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ต้องมีเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนไปจากเราไปนี่คือปัญญาบรารมีให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากที่เคยมีมันก็จะหายไปหมด ทุกครั้งพออยากได้อะไรพอบอกว่าพอรู้ว่าเป็นทุกข์ว่ารู้ว่ากำลังไปหาความทุก์มันก็ไม่เอามันก็หยุดความอยากทันที น, นี่คือบารมีข้อสุดท้ายคือปัญญาที่จะทำให้ใจนี้สงบเป็นอุเบกขาไปตลอด ใจที่สงบเป็นอุเบกขาไปตลอดนี้เรียกว่านิพพานนั่นเองสวรรค์ชั้นสูงสุดของใจคือพระนิพพานอยาได้สวรรค์ชั้นนี้ก็ต้องมีปัญญาบารมีมีอุเบกขาบารมีมีเนคข ม, มะบารมีมีศีลบารมีมีทานบาลามีมีเมตตาบารมีและการที่เราจะสร้างบารมีทั้งหลาย นี่ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็มีเป็นบา ร, รมีอีกชุดหนึง่งเป็นบาลมีที่เป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆได้เหมือนกับเวลาที่เราจะทำกับข้าวเนี่ยถ้าเราไม่มีกระทะไม่มีเตาเราก็ทำกับข้าวไม่ได้ถึงแม้จะมีเนื้อมีผักมีน้ำมันมีอะไรทุกอย่างเราต้องมีกระทะ มีเตา่าถึงจะสามารถทํากับข้าวได้การที่เราจะสร้างเมตตาบาลมีสร้างทานบาลมีสร้างศีลบาลมีสร้างเนคข ม, มะบาลมีสร้างอุเบกขาบาลมีสร้างปัญญาบารมีได้เราต้องมีบาลมีที่เป็นเครื่องมือเป็นกระทะเป็นเตา่าคือหนึ่งต้องมีอธิษฐานบาลมีสองต้องมีสัจจะบารมี สามต้องมีวิริยะบารมีสี่ต้องมีอุเบกขาบารมีนี่คือเครื่องมือบารมีที่เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีต่างต่างอธิษฐานนี่แปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าขอแต่ภาษาธรรมแปลว่าตั้งใจการมีอธิษฐานก็คือมีความตั้งใจนั่นเองถ้าไม่มีความตั้งใจก็จะทำอะไรไม่ได้ อย่างวันนี้ถ้าญาติโยมไม่ตั้งใจมาวัดก็มาไม่ได้ต้องตั้งใจไว้ก่อนเมื่อวานนี้ดูปฏิทินให้พรุ่งนี้วันพระต้องมาวัดเนี่ยพอคิดอย่างนี้เรียกว่ามีอธิษฐานแล้วตั้งใจแล้วพอตั้งใจเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็ออกเดินทางถ้าออกเดินทางก็สแสดงว่ามีสัจจะบา ร, รมีมีความจริงใจไม่ใช่โกหกตัวเองว่าพรุ่งนี้วันพระไปวัดดีกว่า พอถึงวันพักขึ้นมาเพื่อนโทรมาไปกินเหล้าไหมไปเลยไปเที่ยวไหมไปเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีสัจจะ ถ้ามีอธิษฐานไม่มีสัจจะก็ไม่สามารถทำตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความจริงใจที่จะทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้พอมีความตั้งใจมีสัจจะมีความจริงใจแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำอีกทำแต่ทำน้อยทำไม่มากทาแบบพอหอมปากหอมคอ ก็ไม่ได้ต้องมีวิริยะบารมียต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องทําอย่างเต็มที่เรียกว่าวิริยะไม่ได้ทําแบบพอหอมปากหอมพอพอไม่ให้เสียสัจจะอะวันนี้จะให้มาวัดก็พอมาถึงวัดก็กลับบ้านเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําบุญทําทานยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม บอกวพอบอกว่าวันนี้วันพระจะต้องมาวัดก็ขับรถมาวัดวนรอบวัดอยู่รอบหนึ่งก็กลับบ้านเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีวิริยะบรารมีมีอธิษฐานมีสัจจะแต่ไม่มีวิริยะไม่มาทําหน้าที่ของการมาวัดเนี่ยหน้าที่ของการมาวัดก็คือเนี่ยต้องมาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาอยู่วัดมาทั้งคืนในวัดเนี่ย เวลามาค้างคืนมันก็จะไม่สบายเหมือนอยู่บ้านก็ต้องอาศัยขันติบารามีความอดทนคนที่ไม่มีความอดทนนี้มาอยู่วัดไม่ได้เดี๋ยวก็หิวข้าวเย็นแลเดี๋ยวตอนกลางคืนอยากจะดูละครก็ไม่มีให้ดูก็ขอกลับบ้านดีกว่าถ้าไม่มีขันติความอดทนก็จะทำไม่ได้นี่คือบามีสี่ข้อที่เราจาเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะสร้างบารมีต่างๆขึ้นมา เราต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนนี่พอเรามีบา ร, รมีเหล่านี้แล้วเราตั้งใจจะทำสร้างเมตตาเราก็สร้างได้ตั้งใจจะสร้างทานเราก็สร้างได้ตั้งใจจะรักษาศีลเราก็รักษาได้ตั้งใจจะ ถือเนกขมมะเราก็ถือได้ตั้งใจจะฝึกสมาธิเราก็ฝึกได้ตั้งใจจะคิดไปในทางปัญญาก็คิดได้ถ้าเรามีอธิษฐานสัจจะวิริยะอุเบกขาบารมีต่างๆที่จะพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จของเราให้ดีขึ้นไปก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปชีวิตของเราก็จะดีขึ้นภพชาติของเราต่อไปก็จะดีขึ้นไปตามลำดับ ถ้าไม่เป็นชาติสุดท้ายก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นชาติสุดท้ายก็ไปถึงนิพพานในชาตินี้เลยถ้ายังไม่ถึงนิพพานถ้าจะกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาสวยกว่าเก่ารวยกว่าเก่าเก่งกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าดีกว่าเก่าฉะนั้นการสร้างบา ร, รมีนี้มีแต่ได้ไม่มีเสียนี่คือ เรื่องของวันพระเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรต่อชีวิตของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือมาสร้างบารมีกันนี้เองก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุมโมทนาให้พร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 โยยะธาสพีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโววินาศตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจังุทาปจายโนยตาโรธรมมวาทานเตอายุวันโอสุขัง พาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยแปดสิบเก้าูสามร้อยวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังข้างบนนี้หกสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบครับวันนี้วันพระคนเลย ให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมกันเป็นพิเศษอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ทางบ้านมีคำถามไหมเออ คำถามจากผู้ฝากถามนะครับเมื่อพิจารณาผิวหนังตนเองเห็นความเน่าเปื่อยของผิวหนังมีหนอนเจาะหน้าสิดสเอียนเมื่อเห็นเช่นนั้นเกิดอาการอาเจียนอวกขึ้นมาเจ้าคะ่ะควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ่ะก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบพอต้องไปฝึกสมาธิก่อนจิตยังไม่เป็นอุเบกขาพอเห็นอะไร ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้นั้นนี่ความสําคัญของการฝึกสมาธิสมาธินี้ต้องมีก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้เพราะเวลาที่เรามองในสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วใจมันจะรับไม่ได้แต่ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยมันจะรับมันจะรู้มันจะเรียนมันจะจดจะจาไว้ต่อไป ยังถ้าเราพิจารณาปัญญาไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรืออสุภะที่เราพิจารณาแล้วทำให้ใจเราไม่สบายเราไม่เอยากเพิ่งพิจารณากลับไปฝึกสมาธิให้มากๆก่อนให้มีอุเบกขามากๆก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปคำถามจากคุณสันชายมีสองคำถามครับคำถามแรก ถ้าเราปล่อยสัตว์หรือปล่อยปลาชนิดไหนเราต้องเลิกทานปลาชนิดนั้นตลอดชีวิตหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อทานได้แต่อย่าไปฆ่าเขาเทอนนั้นเองถ้าเกิดเขาตายแล้วเราก็รับประทานได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราอย่าไปฆ่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามการฆ่านี้บาปแต่การกินของที่ตายแล้วไม่บาปคําถามที่สองการเลิกกิน เนื้อวัวเนื้อหมูจะทำให้เราได้บุญมากขึ้นและสามารถส่งผลในการปฏิบัติให้ได้ผลเร็วขึ้นหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเนื้วัวควายมันก็ไปถึงนิพพานกันหมดนะวัวควายมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์มันกินผักกินหญ้าอยาการกินนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราสูงขึ้นจิตใจสูงขึ้นก า, การการกระทำของเราต่างหาก ต่อชีวิตของผู้อื่นถ้าเราไม่ฆ่าผู้อื่นจิตเราก็จะสูงขึ้นนะครับเราไม่ต้องตกต่าไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปเราก็จะตกต่าอยัางเรื่องกินไม่เกี่ยวครับกินกินอะไรก็ได้มันเหมือนกันมันเป็นอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟ เพราฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินเนื้อสัตว์ที่หรือไม่กินเนื้อสัตว์อยู่ที่ฆ่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์กินเจนแล้วไปตบยุงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกินเจนไปตบยุงหรือไปฆ่าสัตว์อื่น <c oughs> ที่เราไม่กินอย่างนี้กินเจนแต่เกลียดหมาพอเห็นหมามาก็เลยเอาปืนยิงมันนี้เพราะมันชอบมากัดข้าวกัดของที่บ้านเราเลย เกล็ดมันก็ลายฆ่ามันแต่กินแจองี้ไม่มีมีกินแจองนี้ก็อย่าไปกินเนะการกินมันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้เป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปแต่อย่างใดบุญหรือบาปอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากว่าเราต้องการส่งบุญให้กับคนในตระกูลของเราที่ล่วงลับไปแล้วเรากล่าวว่า ออกชื่อของตระกูลนี้ทั้งหมดที่ล่วงลับไปแล้วจงได้รับผลบุญกุศลด้วยเถิดแบบนี้คนในตระกูลของเราที่ล่วงลับไปจะได้รับบุญใหม่เจ้าค่ะแล้วแต่ว่าคนไหนเขาลอนับอยู่คนที่ลอนับอยู่ก็ได้แต่ถ้าให้หลายๆคนก็กต้องไปแบ่งกันนะเราส่งไปร้อยบาทบอกให้ร้อยคนก็แบ่งกันได้คนละร้อยคนละบาทถ้าอยากจะให้เขา ได้เยอะๆก็คิดถึงคนใดคนหนึ่งไปเขาก็จะได้หมดแล้วแต่เราจะให้แบบไหนก็ได้ให้มากก็ให้มากคนก็ต้องแบ่งถ้าอยากจะให้มากคนแลวได้มากก็ต้องให้มังมากคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คนที่นับถือในศาสนาอื่นเวลาที่ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นมนุษย์สัตว์นรกเดราชานเหมือนกับคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่ครับเหมือนกันหมดนยะแม้แต่สัตว์เดราชานที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรมันก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันกฎแห่งกรรมนี้ไม่ยกเว้นจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา กฎแห่งกรรมก็ไม่ยกเว้นคำถามต่อไปจากคุณบัวชมพูทำไมเวลาที่หนูนั่งสมาธิ<ม>ชอบง่วงอยู่เรื่อยเจ้าคะง่วงตลอดแต่พอเลิกนั่งกลับไม่ง่วงเจ้าคะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่านิวรณ์เวลาจิตมันไม่ได้คิดปรุงแต่งไม่ได้คิดถึงเรื่องที่มันทำให้เกิดความกระทึก ฮัลโหลไฟกลับมาแนละ้วช่วงนี้แบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้เต็มที่ไฟดับก็เลยใช้ไปครึ่งหนึ่งก็หมดดีที่มีสำรองไว้ไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้ถามตอบปัญหากันเวลาใจเราให้อยู่กับพุโทโธหรือให้ดูลมนี้มันจะไม่มีเรื่องมีราวให้เราตื่นเต้นเล้าใจ มันก็เลยทำให้เราง่วงขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลับแต่ถ้าเรามีสติมันจะไม่ง่วงยั้นสแสดงว่าส่วนหนึ่งก็คือเรามีสติน้อยยั้นถ้าเรานั่งแล้วง่วงเราควรจะลุกขึ้นมาเดินมาสร้างสติก่อนเดินจงกรมแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดินไปนานๆจนกว่าจะเมื่อยอยากจะนั่งแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่แล้วทีนี้มาดูลมหรือพุทโธใหม่ นี่มันจะไม่ง่วงหรือถ้ายังง่วงอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะเรากินอาหารมากเกินไปหนังท้องตึงแล้วหนังตาจะหย่อนเอ็นต้องพยายามลดการรับประทานอาหารลงอย่ารับประทานมากจนเกินไปถ้าถือศีลแปลดได้ก็จะดีเพราะว่าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันก็จะไม่ง่วงคำถามต่อไปจากคุณทันพิสิทธ กายคาตาสตินี้เราควรพิจารณาอย่างไรบ้างครับต้องพิจารณาตลอดต่อเนื่องเลยใช่หรือไม่ครับกายคาตาสตินี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับสติกับระดับปัญญาคือการดูร่างกายของเราถ้าเราอยู่ในระดับสติก็ให้ดูเฉยๆดูว่าตอนนี้ร่างกายของเรากำลังอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่ายืนท่าเดินท่านั่งหรือท่านอน เราเวลาเปลี่ยนก็ต้องรู้ทันว่าตอนนี้กําลังจากยืนมานั่งแล้วจากนั่งมานอนแล้วหรือจากนอนลุกขึ้นมานั่งจากจากนั่งลุกขึ้นมายืนจากยืนกําลังเดินเดินแล้วไปทําอะไรก็ต้องดูเฝ้าดูทุกอย่างทุกอิริยาบถ ท, ทุกการเคลื่อนไหวถ้าไปอาบน้ําก็ต้องดูว่ากําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ดูว่ากําลังล้างหน้าแปรงฟัน คือไม่ให้ใจเราไปที่อื่นพูดง่ายๆให้อยู่กับร่างกายทุกข์กิยาบทของการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่ากายกตาสติในระดับของการเจริญสติถ้าระดับของวิปัสสนาคือของปัญญาเราก็ต้องมาดูว่าร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยง เ, เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง แล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะต้องมีการดับเรียกว่าวิรดับวิปัสนาดูเรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะเรามักจะลืมกันว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเราจึงสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ถ้าเรารู้อยู่ทุกเวลาว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วไปปาร์ตี้ให้มันเสียเวลาเสียเงินทองทาไมเสียเวลาทาไมเอาเวลามาฝึกจิตมาทาจิตให้สงบ เพื่อที่จะได้ตายอย่างสบายดีกว่าไม่ใช่ตายอย่างหวาดกลัวตายอย่างทุกข์ทรมา น, นนี้คือเรื่องของปัญญากายกักตาสติในระดับปัญญาให้พิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายเพื่อไม่ให้ทุกข์กับร่างกายต่อไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันเป็นของดินน้านมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟ เราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกกับมันได้ถ้าเราปล่อยถ้าเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ฝืนมันคําถามต่อไปจากคุณสุปราณีถ้าเรามองเห็นร่างกายของเราว่าเป็นของสกรปรกน่าเกลียดอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะอ่าเกิดจากการความจริงของร่างกายสิร่างกายมันสกรปรกก็เปล่านอะ เพีแต่เราไม่มองมันเราก็เลยคิดว่ามันไม่สกรปรกเนอะมันเหม็นเพียงแต่เราไม่ได้ไปดมส่วนที่มันเหม็นก็เลยคิดว่ามันหอมมันไปถูกน้ําหอมโปะเอาไว้มันก็น้ําหอมไอสบู่อพอไปดมแถวนั้นมันก็หอมไปหมดแต่เวลาไม่ดูตอนนี้มันผายลมออกมาว่ะ หรือตอนที่มีเหงื่อครออกมาลักแร่นี่กลิ่นเหม็นนี่คือความจริงอสุภะคือความจริงของร่างกายร่างกายไม่สวยไม่งามแต่เราไม่มองมันเลยมองไม่เห็นถ้าเรามองมันก็จะเห็นว่าไม่สวยงามโครงกระดูกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ป่าชา้าเลอมันอยู่ที่โรงพยาบาลเนยะมันอยู่ในตัวเราทุกคนนะแต่เราไม่เห็นเราไปประกวดโครงกระดูกกันไหมเนี่ย ประกวดนางงามจักรวาลประกวดนางงามโลกก็ประกวดโครงกระดูกนะโครงกระดูกใครจะสูงกว่ากันใครจะสั้นกว่ากันยาวกว่ากันคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามหากอยากช่วยคนในครอบครัวที่ดื่มสุราเ ม, มาไมยหนักมาก แล้วยังทำร้ายบุปการีทุกครั้งที่เมามาด่าทอต่างๆนานาซึ่งลูกไม่อยากให้เขาทําบาปมากไปกว่านี้ต้องทำอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็อย่าให้มีโซลาในบ้านเลยก็อยากจะดื่มก็ใหก็ไปดื่มนอกบ้านแล้ว เ, เขียนไป้ายไว้ว่าถ้เาเมาแล้วห้ามเข้าบ้าน <laughs> <laughs> หมดแล้วนะ คือไปห้ามเขาไม่ได้หรอกคนที่ติดสุรามันก็ต้องวิ่งหาสุราของมันไปเรื่อยๆนอกจากว่าเขาอยากจะคุยกับเราถามเราว่าดื่มโุราดีไหมเราก็บอกเขาเร่าไม่ดีมันเป็นอันตรายกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าเลิกดื่มได้ก็จะทำให้ผู้อื่นเขาปลอดภัยเราก็ปลอดภัย แต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะศึกษาเขาคิดว่าเดิมแล้วดีก็ต้องปล่อยเขาไปเราก็มีหน้าที่ป้องกันแต่นั้นเองก็อย่าให้มีสซลานในบ้านถ้าเขาอยากจะดืม่มก็ต้องออกไปดื่มนอกบ้านไม่มีแล้วนะไม่มีก็คนก็ไม่มีแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าถามมามากแล้วมันก็เรื่องเก่าเรื่อง อยากจะถามรอเปล่า อ, อ่มาถามหน่อยพอดีว่าวันนี้อ่าโอ้โหเหมือนเป็นบุญเลยได้มาฟังพระอาจารย์นะคะเพราะว่าหยอดกระปุกทาบุญทุกเช้าทีนี้มีคนบอกว่าต้องไปทาบุญไปตักบาตรแต่เราเข้าใจว่าถ้าเรา ไม่ได้ตื่นแต่เช้าหรือว่าไปทําบุญได้ทุกวันเะคทำแบบนี้บาหลายปีแล้วก็เอามาทมําบุญแบบนี้ค่ะก็เลยได้ ไ, ได้ไ ด, ได้เราได้บุญนะแต่พระอาจจะไม่ได้ข้าวแต่นอกจากเราแล้วมีคนอื่นใส่บาตรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าไม่มีใครใส่บาตรเราเราก็อาจจะต้องตื่นเช้าเราไปใส่บาตร พราะพระเขาจะได้ม nah ีข้าวกินค่ะบางทีก็เอาที่ในกระปุกให้แม่พี่เสิข้าวได้ได้แล้วแต่เราจะสะดวกค่ะก็ได้เป็นการทําบุญเหมือนกันด้วยการบริจาคได้การเสียสละค่ะเหมือนมาค่ะมาพระอาจารย์อได้ใช่ได้แทนกันได้เรียนกันได้ใช่ไหมคะได้นอกจากในกรณีที่ไม่มีใครใส่บาตรเลยถ้า ผ้าก็จะไม่มีข้าวกินถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีทําบุญอาจจะต้องตื่นขึ้นมาซื้อกับข้าวไปใส่บาตรเองอะไรทํานองนี้แต่ถ้าตอนสมัยนี้คนใส่บาตรกันเยอะไปหมดอาหารที่พระได้จากบิณฑบาตเหลือเฟือเราก็เอาเงินใส่กระปุกไว้อาจจะดีกว่าเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์ทางอื่นทางวัดเขามีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นมีค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรเยอะแยะไปหมดก็ใช้แทนกันได้ เป็นบนเหมือนกัน <c oughs> เข้าใจนะเข้าใจค่ะโอเคไม่ต้องกังวลทําต่อไปได้ครับคําถามจากผู้ฝากถามครับขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความว่ามีอะไรก็ทุกเพราะสิ่งนั้นก็เพราะว่า oh. สิ่งนั้นเราไปลักะหรือไปชงังมันก็จะทุกขึ้นมาสิ่งที่เรารักเราก็จะหวงจะห่วง <c oughs> พอมันเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็ทุกข์เนยสิ่งไหนที่เราชังพออยู่ใกล้มันเราก็ทุกข์ละอันมีอะไรมันจะต้องให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วตอนต้นอาจจะรักแล้วต่อไปอาจจะกลายเป็นชังขึ้นมาก็ได้เห็นไหมเขาถึงหยา ก, กันไหตอนต้นก็รักกันพออยู่ไปด้วยกันแล้วเห็นใจเห็นพุงกันีนี้มันก็จากความรักก็กลายเป็นความชังขึ้นมาอมันก็ทุกข์เนะ ไม่ว่าจะมีอะไรมันจะต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เราได้มันจะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมไม่มีดีที่สุดถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรจะให้เราทุกข์ถ้ามีแล้วจะต้องทุกข์ดีก็ทุกข์อย่างหนึ่งไม่ดีก็ทุกข์อย่างคำถามต่อไปจากคุณนันทิดา <c oughs> จะมีอะไรเป็นเครื่องบอกว่าเราบรรลุธรรมเจ้าคะ่ะ อ๋อมีความทุกข์หายไปความสุขปรากฏขึ้นมาเคยทุกข์กับคนนี้หายทุกข์คนนี้เขาเป็นอะไรเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแล้วอันนี้เราก็บรรลุธรรมขั้นคนนี้ไปถ้าเราไม่ทุกข์กับอะไรก็แสดงว่าเราบรรลุธรรมถ้าเรายังทุกข์อยู่กับคนนั้นกับสิ่งนี้อยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่บรรลุยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์ยังคิดว่าเขาเป็นสุขอยู่ทั้งที่เขาให้เราร้องไห้ทุกคืนแล้วก็ยังกอดเขาอยู่ยังดึงเขาไว้อยู่ไม่อยากให้เขาจากเ้าไปอยู่ <laughs> <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณยุทธตอนที่ร่างกายป่วย พยายามทําให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ด้วยการภาวนาพุโทโธครับแต่บางทีก็ไม่สามารถทําใจให้สงบลงได้ควรทาอย่างไรต่อไปดีครับก็ปองได้ก็ปองไปดีกว่าถ้าเราพุโทโธไม่ได้ก็อา้าอยากจะอยู่กับกูก็อยู่ไปถ้ามันเจ็บมันจะไม่หายมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปอย่าไปรังเกียจมันความทุกข์ของเราเกิดจากความรังเกียจความเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหาย พอมันไม่หายก็เลยทำให้เราทุกข์นี่เราอย่าไปลังเกียจมันยินดีมันต้อนรับมันเหมือนเป็นเพื่อนเก่ามาเยี่ยมกลับมาอีกแล้วเหรอต้อนรับมันปวดไปทั่วสะพางกายเออดีเหมือนกันให้เราเปลี่ยนทัศนคติกับมันท่นันเงตอนนี้เรามีทัศนคติลบไม่ต้องการมันพอต้องอยู่กับมันก็เลยทุกข์ ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติว่าเราชอบมันอยากจะให้เราอยู่กับมันอยากจะให้มันอยู่กับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมีเท่านี้แหละใจเราเองไปรักไปชังมันถ้ารักมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมพอไปชังว่ากับมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทนีเราต้องทำามรู้จักเปลี่ยนใจเวลาชังก็เปลี่ยนมาเป็นรั ก, กเวลาเวลารักก็ให้เปลี่ยนไปเป็นชังมันจะได้ไม่ทุกข์ ถ้าเราทุกข์เพราะเรารักคนนี้ล้วพอเราไปชังเขาป๊อเราไม่ทุกข์อ่า น, นี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆคือเราต้องทำใจให้อยู่กับเขาให้ได้คำถามต่อไปจากคุณชอบเพชร ทำอย่างไรถึงจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับนี่แหละ <c oughs> ก็หัดท่องพุทโธพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปเอเดี๋ยวสติก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับหมดแล้วใช่ไหมห ม, หมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณา